เวลาเราเห็นถ้าเราเห็นคนเนี้ย่ยในเดือ น, นดาของความรู้สึกเนี่ยเดี๋ยวบรรดาสิ่งที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของคนเนี่ยมันทาให้ใจเราเนี่ยวุ่นวายตลอดเไยได้เห็นอะไรก็ตามพุกเนี่ยยังไปอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยเดี๋ยวความคิดมันจะโผล่ขึ้นมาโวันนี้นั่นให้เราเห็นถ้าเราเราไม่พูดนะเราจะเห็นมันแต่เราต้องพูดแต่มันจะเห็นเราถ้าราพูดตูเมันอ่าวมิจะพูดอะไรมันจะเห็นมัน นเะีรักษาทีนี้ดูดิมันจะพูดอะไรมันจะเห็นความอึดอัดเวลาก็ถามแล้วเราไม่ตอบนี่เราจะรู้สึกอึดอัดเสียมารายาหรือเปล่าเขาโกรธเดี๋ยวเขาก็จะโกรธเราหรือเปล่าหรือจะหาเราหญิงหรือเปล่าสารพัดทีนะี้เวลาถามพุ้มใครถามพุ้มถ้าเราไม่พูดโดยนะีเ้เราจะอึดอะัะ ตัวเราเพราะมันมันมีแรงเปลี่ยนผักดันข้างในแต่เราไม่ทันนะเราพูดไปเลยพวกมันก็จะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าไม่มีอะไรแต่ในนั่นนะมันมีอะไรอยู่นะมันจะคุณจินในการสนองต่อความคิดจิตใจะคุ้นชินใน ก, การสนองต่อความคิดถ้าเราลองถ้าเราลองขูก ป, ปาไปพูดนะ อ, อีกคำพูดที่อยู่ในหัวเนี่ยเสียงมันก้องทั้งวันทั้งคืนไม่ดีพูดอยู่คนเดีย ว, วนะนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นเนี่นนยแล้วบางทีถ้าเราไม่เค่อยทันมันเนี้ยไม่เค่อยทันมันเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะมองฟุ้งซ่านกัตัวเราเองเยเดี๋ยวเราพอจะมากลับมาอยู่กับรู้สึกอยู่กับตัวอยู่กับฐานกายนีย่ไม่ค่อยอยู่แล้ะฟุ้งซ่าน คมคิดที่เห ล, ลืออยู่ก็ยังวนเวียนวนเวียนข้างๆกระค า, า, า, า, า, าอยู่นะนเย็นนี้เราปฏิบยินที่ฟังให้อาจารย์ลบก่านได้คุยอะไรให้เราฟังบ้างนะคุยเรื่องการปฏิบัติมันจะมีมุมมองอมุมมองที่เป็นมุมข้อคิดหรือเป็นมุมมองที่จะนําไป ไปใช้พระพุทธปฏิบัติได้นะในการที่จะใช้คือคนโน้นพูดบ้างคนนี้พูดบ้างคนนั้นพูดบ้างเนี่ยเราก็จะได้มีมุมมองในเรื่องที่เราทาอย่างนี้หลากหลายมุมที่จะนำไปประยุกใช้นะกลับไปกับการภาวนาของเราที่จะรักษาจิตรักษาใจให้มันมัน รอดปลอดภัยหรือให้มันรู้สึกรู้จักบริหารจัดการเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาแล้วก็อยู่กับความทุกข์ได้ตัวที่ใจเราก็ยังเป็นอิสระจากความทุกข์เหล่านั้นอยู่อันนี้นี่ยายดันเดยคุยอะไรให้เราฟังเนาะขอนิมนต์ครับขอการอาจารย์เกอดซาหามิกทุกนะครับ อาจารย์ให้พูดก็พูดไม่ค่อยแล้วก็เก่งนะเตีไม่เป็นเลยซ้ำปฐมมาภาวนาก็รุ่มรุ่มดอนอยังไม่ยังไม่เก่งยังไม่ไม่ด้สติปัญญาอะไรมากมายหรอกนะ แต่ตมาภาวนาตมาไม่ค่อยอะไรมากมายนะไม่ <c ười> ค่อยเอาอรายละเอียดอะไรมากมายตมาก็เคยทำเมื่อกาใช้ทำที่แบบจะให้มันละเอียดเมื่นกาพอไปมันตีกัน <c ười> อาจารย์บอกฝึกไว้นี่ไปสอ น, ขอนเขาไปนะไปประมาณ ม, มันสอนอยู่ในหวั ว, หว <c ười> เต็มหัวเหมือนแบบเหมือนกับเหมือนอะไร ว่าอะไรเชื่อพันหลักหรือพอคิดจะจะสอนใครที่ใดคิดจะหาขวามรู้มาสอนอย่างไรรู้สึกว่ามันเราไม่เริ่มเริ่มแต่ไม่ค่อยก้าวหน้าออกมาแต่พวงที่หาแล้วแตที่อะไรมาสอนเขาอยากจะช่วยงานอาจารย์อย่างนี้ยพื่ไปมาตัวเองกับพอน่าไว้ไม่ไม่ค่อยอย่นี้แล้ว ท, ทิ้งทิ้งไว้แบบ สอนตัวเองดีกว่าเอาสอนตัวเองกีกว่าก็รู้สึกว่ามันง่ายก็ต้องไปแบกภาระวันหน้าฮมันมันแตกยอดมันก็สอนสอนได้เนะตอนนี้มันมันยังไม่มีอะไรก็ก็คือไม่มีอะไรแล้วนะอะไรไม่บังคงับนะเอางี้รู้รู้ไปงง่ายๆแต่แรกตอนแออรกพอพนรู้รู้เยอะๆไปก็ ออกไปนอกไปเลยแต่เป็นสัญญาได้ไปเยอะไปไปกลับใหม่ช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกว่าจะจะเลาะจะเลาะของของเก่าทิ้งเอาใหม่ดีกว่ารู้ง่ายง่าดีกว่ารู้แล้วจบรู้แล้วจบเออเราถามเลยเป็นทุกข์เปนร้อนแล้วกัอะไรวะสบายสบายเดี๋ยวจะไปรู้อะไรมากจะมานะคนอื่นรู้มากก็ดีแล้วอแต่มาแม่ไม่รู้มากเลยรู้ รู chỉ ing, chỉ ing ừ, ้รู้จริงจริงถ้ามันรู้จริงๆนะงนะบางทีมันมันรู้ไม่จริงมอนตัวเป็นตัวสังขารมันปรุงไปเป็นสัญญยาวเข้าใจยุบเข้าใจยุบแต่มันแก้ไขตัวเองไม่ค่อยได้มันจบรู้เลยมันไม่จบอเราไปต่อเลยอพอกลับมรู้ง่ายง่ายเอ้มันจบไหยมันไปสร้างโลกอีกนะ นะรู้มากมันดำไปสร้างสร้างภพสร้างโลกสร้า ง, างอะไรไปเรื่อย <c oughs> แล้วอยู่ก็แค่รู้เอาเอาแค่รู้แต่ไม่ไม่ไม่เอาดีหรือไม่ดีนะเอาเอาแค่รู้นะถ้าดีหรือไม่ดีก็ทุกข์กับดีไม่ดีอีกนะ <c oughs> นะเอาไม่ใช่เอาเอาได้เอาเสียกับกับมันเลยนะ <c oughs> อะวางอาจจะมาวางใจอย่างนี้เล่า <c oughs> อะไรจะเกิดอ่ะ <c oughs> ก็มใน ไ, ไปทื่อเียอะไรของมันนะรู้ รู้มันเกิดก็ภาวนาะอยู่วิหารวิหารธรรมไปของการเคลื่อนไหวของกายวิหารธรรมเป็นส่วนใหญ่นะมันตอมาก็สังเกตมันไม่ใช่ว่ามันไม่รู้อะไรมันก็รับรู้หมดแหละแต่ไม่ได้ไปใส่ใจมันเนี่ย <Yeah. S 1> ยินเสียงก็ได้ยินแต <laughs> ่ใจมันเ อ, อ, อาใจไว้กับฐานก่อนอาตมาเ อ, อาใจไว้กับฐานแต่ก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปไปกดดันในช่องหัวไรอนะ่ ใส่รู้ปล่อยรู้ปล่อยรู้ปล่อยอมันก็มีทั้งหมดแหละดีไม่ดีไออาการต่างๆนะแต่ไม่ได้ไปสนใจมันปล่อยลงไปเข้ามากันเรื่องมันอะไรกับมันยิ่งไปแก้ไขยิ่งเหมือนกับพกผูกมัดตัวเองนะ้สังเกตเลยนี่เหมือนกับหน้าดาเขาแก่จะทําอะไรกับมันปล่อยปล่อยมันไปแล้วเราก็อยู่ยุคขางเราไงอยู่กับรู้ของเราไปมันก็ สบายอะมันมันสุบายมันไม่ต้องไปไปแบกภาระที่ต้องไปจัดการอะไรแต่แลมันก็เข้าใจเริ่มเข้าใจเรื่อยๆว่าเราทําอะไรไม่ได้อะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้อ่ะธรรมชามันมีสมองมันมีก้อนก้อนอะไรก็อนอ่องก้อนสมองก็คิดของมันไปเราจะไปทำอะไรงมันแลก็อยากจะให้มันไม่คิดนกันแหละ ก็มันคิดอ่ะเราเป็นไงันต่อไปอมันคิดก็เรื่องของมันเราก็อยู่กับรู้ไปอยู่ก็บรู้ไปกับรู้ไปมาเอาแค่นี้นะคนอื่นยังไงไม่รู้อ่ะอยู่ให้รู้ปล่อยไปรู้แล้วก็ปล่อยไปจิตจิตมันถ้าวางจิตไม่ถูกบางรานบางทีมันไปตังไปตัง เอานั่นเอานี่ให้ได้นั่นให้ไดน้นี่มันได้ทิ้งนั่นทิ้งนี่เอาอย่าเอานั่นเอานี่น อ, นนะอะไรพวกแบกรับภาะระอารมณ์อีกไม่ได้ไม่ได้ปล่อยเอาหน้าไปมากันแต่มันจะเอาแต่ดี <c oughs> เอาแต่ดีอารมณ์ไม่ดีก็จพยายามจะทิ้งเพยายามจะถีบออกยิ่งถีบมันก็ยิ่งยังไงมันนิ่งหลอกแล้วนี่เข้ามา เขาอยากเข้ามาเข้ามาไปก็ดูมันเฉยๆนะเวลาดูมันแบบเออพ่อมาจะใช้กันดูดูดูดูเขาทํางานอะไนั่งดูมันเฉยๆแหละแไปดูมันทำเลยแต่กระบวนการที่เขาทํางานทํางานเองทางานเองจริงจรนงจริงเวลาเลิกเดี๋ยวไปอยู่อยู่รูปเดียวอยู่คนเดียว นั่งนั่งดูก็ได้นอนดูก็ได้เดีวเาก็ได้ซีเรียสกันกันเร่านอย่างนั่งดูนดดั่งดูทำงานไหนคิดไปในล้ๆห้องมันเอ๊ะแล้วก็ถามตัวเองใครเป็นคนคิดะใครเป็นคนคิดอ่ะเราถามว่าเราเลยใครถามตัวเองว่าความคิดนี่ใครเป็นคนคิดเราเป็นคนคิดหรืเอคคร เ, นคนคเราไม่อยากคิดแบบนี้นี่หว่า อ๋อมันคิดของมันเองมันคิดไงเราดะเราจะเข้าใจอ๋อเนี่ยแขนมันทํางานแขนมันทำงานคือนอนอยู่มันขยับมั้งอะเห็นไหมเราไม่ได้ตั้งใจขยับมันขยับของมันเองมันมีเหตุมาจากี้มันคันมันก็เลยขยับไปเกาเออมันมันทํางานของมันเองก็ไม่ได้ไปทําอะไรนะแค่ดูมันเฉยๆแต่วมันทําหนึ่งนิ้วนี่อ๋อมันก็เลยจิดมันจิตมันเร็ว ปร่งไม่ค่อยซีเรียสอะไรมากมายก็ก็เลยไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากมายไม่ได้เจาะรายละเอียดอะไ ร, อไรมากมายรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยมาทําอย่างนี้แนคะ่นน ะ, นะในช่วงช่วงกันภาวนาท้ายท้ายหลังจากจิตมัน มันได้หลักแล้วไม่ค่อยมีอะไรมไม่ค่อยมีอะไรนะมันมือนกัช่วงแรกๆที่เรายังพอนานแรกๆยังยังจับหลักไม่ได้มันจะปุ่นวายแต่สังเกตดูเวลาเราทำงานอะไรถ้าทางานอะไรใหม่ๆแล้วมันว่ายทั้งหมดนเพอายังจับหลักก็มันไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคมันกีกะฟังทั้งหมดเแต่พอมันจับหลักได้แล้วมันก็จะเข้าใจ คืสังเกตเวลาเราโคนาปั๊บเนี่ยที่เอาจับหลักไม่ได้ไงเพราะเราไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจกับไอ้แค่รู้แค่เนี่ยนะมันสามารถดับทุกได้นะเราไม่ไว้ใจเราไว้เราไว้วางใจกับไอ้เจ้าความคิดมากกว่ามันต้องคิดเยอะๆสิมันจะดับทุกได้แล้วเป็นไงล่ะ <c ười> หัวยุ่งยี่กว่าหงยุ่งอนเองี่ นี่นเนี่ ย, น เ, นยเพราะมันมันไม่มีทางออกอ่ะมันไวไว้ใจเพราะมันคิดเพราะว่าเราถูกใช้ระบบกันการสอนสอนอย่งการเข้าใจด้วยความคิดเชิงตักกะเชิงเหตุผลเชิงการคาดเดามาตลอดเนี่ยเราก็มั่นใจว่าที่เราใช้ชีวิตมาทั้งหมดน่ะเพราะเราใช้ความคิดจริงๆจะรอด่ใช้ไปใช้มาใช้มาใช้ไป จริงๆแต้าเราใช้ความคิดเนี่ยรอดแต่มันตางตรงกันข้ามเลยความคิดใช้เราไม่รอดตรงกันข้ามอย่างเงี้ยถ้าเราใช้ความคิดเนี่ยมันรอดแต่ถ้าความคิดใช้เรานี่โคตรตายเลยคลั่งตายเลยว่าตายเลยเนี่ยเราไม่รู้ว่าวันๆหนึ่งเราใช้ความคิดดูความคิดใช้เราสลับกันมั่วเลยมั่วจริงๆพอช่วงหนึ่งที่มันตัวรู้มันเนี่ยมันแยกตัวเองออกมาจาก อารมณ์พวกนี้ได้นี่มันจะมีกําลังในการดูแต่ถ้ามันมันไม่มีกําลังนีมันจะปนกันไปปนกันไปมั่วหมดเมื่อก่อนอาตมาก็ดีจันลอกก็ดีมั่วไปหมดเลยมั่วกับมันเพราะบางทีมันมันใช้ความคิดจัดการความคิดไม่ใช้อารมณ์จัดการอารมณ์แล้วยิ่งเป็นอารมณ์ไปใหญ่เลย อย่างเช่นมันคิดมามันคิดมาเนี่ยเราก็ใช้ความคิดอีกอันหนึ่งไม่อยากให้คิดเนี่ยมันก็เป็นออารมณ์หนึ่งที่วุ่นวายกันเครียดบ้าบอคอแตกกันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็เราเป็นก็มันเป็นจริงเนี่ยมันเลยใจข้างในมันเลยเย็นไม่เป็นเนี่ยเหมือนกับมันต้องต่อสู้ต้องรบราฆ่าฟันกับอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ม oh, ันก็ไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นว่าจะมีทางชนะหรือจะมีทางได้อะไรมันเป็นเรื่องนามธรรมที่ไม่มีเราสังเกตดูใจเราแอ่โอ้มันยังกำลังทำสงครามไ้กัดอยู่กับตัวเองอยู่เรื่อยอันนี้ว่าก็สงครามเนี่ยแต่พราะมันมันมันมันมันคุกคีคุกคีคุกคีกับไอภาวะรู้เนี่ยเมื่อเข้ามาเข้ามาเข้าไม่จะเห็นช่องเห็นช่องใหม่เี่มน ตัวรู้ที่มันแยกตัวออกมาจากความคิดและตัวรู้ที่มันแยกตัวออกมาจากร่างกายที่มันเห็นร่างกายเป็นอะไรก็เป็นไปไอ้ความคิดและอารมณ์เป็นอะไรก็เป็นไปแต่ไม่ไีเกี่ยวกับตัวนี้เนี่ยตรงนี้ถ้าคนไหนจับหลักตรงนี้ได้พวกเนี่ยเขาเรียกว่ารู้จักมันรู้จักแยกมันโอ้นี่เป็นเรื่องของร่างกายอันนี้เป็นเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ที่เกิดจากจิตใจแต่ไม่ใช่โยจิตใจ การเต จ, ตจิตใจก็จะเห็นพฤติกรรมของอารมณ์ที่จะคอยออกมาเกิดกับจิตใจอยู่เรื่อยๆที่มันมีรูปแบบหลากหลายให้เราเห็นที่มันที่มันมาในรูปแบบของความคิดส่วนร่างกายก็เป็นเรื่องของร่างกายไปเย็นร้อนเจ็บปวดเมื่อยเพลียยืนเดินนั่งนอนคู่เยื่เคลื่อนไหวกระพริบตาอ้าปากหายใจเนี่ก็เป็นเรื่องของร่างกายไปแต่ภาวะรู้ที่มัน มันเด่นนะเนี่ยมันเด่นที่เป็นมา เ, เป็นอิสระจากเรื่องพวกนี้มันอธิบายอะไรไม่ได้อีกมันจบแค่นั้นยิ่งอธิบายไปนี้ยิ่งผิดไปเลยยิ่งอธิบายไปหมดยิ่งจะไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เราสังเกตเห็นไหมบางคราดูอะไรนะตาเรามองอะไร เราอธิบายสิ่งที่เรามองได้เป็นคุ้มเป็นแหวเลยนะเยอะแยะมากมายถ้าเรามองอะไรปุ๊บรู้ตัวอะไรทั้งอย่างหนึ่งจะเป็นคําอธิบายเยอะแยะมากมายเลยแต่เคยอธิบายเพระตาตัวเองเห็นนะตาตัวเองเห็นแค่เนี้ยไม่ได้อธิบายอะไรเลยตามันเป็นหน้าที่เห็นนี่มันแต่สิ่งที่เห็นนั่นนะมันมันจะอธิบายตัวมันเองชั่ะแต่เราก็ดูมันเฉยเฉยเนี่ยแล้ตัวรู้ก็เป็นอย่างงี้ รู้เพื่อดูพฤติกรรมเขามาแต่ถ้ามันมันไม่ฝึกับมันแยกตัวเองไม่ออกเนี่ยมันมันมั่วไปหมดเลยนะมั่วกายเป็นกัตะรุถึงใจใจเป็นกัตะรุถึงกายบาเข้าไ่รู้อันไหนเป็นก็ได้กายคือใจใจคือกายมั่วไปหมดเลยเพราะมันหลักของไอ้ตัวเนี้ยมันวันนี้มันโขมมันใช่หลักการหลักก็เถอะ ใช่หลักในการพัฒนาตัวตัวรู้ที่เป็นวิญญาณที่เป็นวิญญาณทั้งหกไม่ชนานาญไม่ชํานาญในการใช้ใช้วิญญาณทั้งหกนะวิญญาณคือความรู้ต่งตางๆที่รู้หูความรู้เสียงที่ได้ยินอยู่นี่ก็เป็นวิญญาณนะรับรู้อยู่จมูกก็รับรู้กลิ่นลิ้นก็รับรู้รสกายก็รับรู้สัมผัสต่างๆ ใจก็ตัวเดียวกันรับรู้อารมณ์เนี่ยตรงเนี้ยเราไม่ชำนาญในการใช้มันหรือไม่ชำนาญในการอยู่กับมันหรือไม่ชำนาญหรือไม่คยคุ้นชินไยไม่ค่อยคุ้นชินเราเลยไม่ไว้ใจมันไม่มั่นใจในมันไม่มั่นใจในความคิดความคิดเหยีปัน่นเอาแหลกหลานวันนี้เยอะมากประกอบไปละวันนี้ บางวันมันก็จะหายไปเหมือนจะไม่มีเลยบางวันใกล้ๆกลับที่มันจะขึ้นระเต็มหมดเลยช้าว่ะแหละเนี่ยบางทีวันสองวันแรกมันเยอะนะพอวันที่สามอันที่สี่เนี่ยจะเริ่มน้อยพอวันที่ห้าที่หกมันเริ่มอีกแล้วเริ่มมาชุดใหม่กลับไปจะไปทําอะไรนู่นนี่นั่นไตเตรียมแผนไปเต็มไปหมดในหัวเนี่ยสารพัดเนี่ยเป็นอย่างนี้ย เพราะมันวันแรกๆที่มันมาเนี่ยมันค้างของเก่ามาค้างของเก่ามายังยังไม่หมดรีเซ็ตไม่หมดแต่พอมาอยู่นี้ปุ๊บเราไม่เติมของใหม่เราไม่เติมของใหม่ไงไม่ไปเติมของใหม่ไม่เอาสื่อต่างๆไปเติมเช่นไม่เอาโทรศัพท์ไม่พูดคุยกับใครพูดคุยน้อยแล้วก็ไม่ใช้โทรศัพท์เปิดถือแล้วก็ใช้การกระตุ้นในการจะรู้ตัวเองมากเข้าเติมตัวนี้มากเข้ามากเข้ามันก็จะเริ่มลดลงลดลง ลดลงลดลงทีนี้พอวันมันจะกลับปุ๊บมันเตรียงตัวอีกครถ้าดูฉากมันแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ยแต่ถ้าเราฝึกหัดกันอยู่กับมันจนจนเรารู้รูทางมันแล้นะมึงจะมาก็่างมึงจะหมดก็ทางไม่เกี่ยวกับเราเลยจิตมันจะมันจะมีความคิดหรือม่มีความคิดมันเป็นคนละโลกกันเลยโลกของความคิดโลกของอารมณ์ กะโลกของตัวรู้นี่หนึ่งคนละเรื่องกันเลยแล้วโลกทางร่างกายก็เป็นไปก็คนละเรื่องกันมันเป็นคนละเรื่องจริงๆนะคนละเรื่องกันอย่างอย่างเรื่องนั่งกับเรื่องเดินเนี่ยเรื่องเดียวกันไหมคนละเรื่องกันนะเรื่องนั่งก็เป็นเรื่องหนึ่งเนี่ยเพราะเรื่องเดินก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรื่องนั่งเรื่องเดินแล้วเรื่องยืนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะ พรื่ยืนปุ๊บเอาเรื่องนอนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นยืนเดินนั่งนอนมันคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องด้วยคนละลักษณะด้วยเนีแล้วคนละเหตุปัจจัยด้วยเนีสังเกตดูสิเนี่ยแล้วหนักเขึ้นไปอีกเรื่องของหูก็เสียงก็อีกเรื่องหนึ่งเลยเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของตาก็รู๊ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเรื่องของกลิ่นจมูกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีเรื่องของลิ้นก็เป็น เรื่องของรถก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรื่องของใจที่เกิด อ, อารมณ์กับใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเมันคนละเรื่องหมดเลยแต่ด้วยด้วยเราไม่รู้อ่ะจริงจิงได้ฉา ย, ยาเขาว่าคนไงนี่แหละที่ ม, มั้งเขาว่าคนมันเอาทั้งหลายทั้งปวงมนรวมกันจนเป็นเขาเรียกภาษาอีสานวโซเลีรวมกันแบบใครเห็นไหมแกงกอ่ะเออประวัตินั้นแหละ เอามารวมรมๆๆกันแล้วก็เอาไอ้วุ้นเส้นใส่เข้าไปไม่รู้ว่าแกงอะไรแต่แกงอะไรน่กเอามาโหกใส่กันเกี่ยงเลยแต่เราไม่รู้จักว่าเฮ้แล้วมันแกงไหนวะเนี่ยรถชาตอะไรไม่ออกมานี่ยเป็นอีกรสหนึ่งเฉันใดก็ไม่กันที่ว่าใจเราอ่ะถ้าภาวะของตัวรู้ที่มันมันไม่มันนม่งไม่ดูเต็นในเป็นอิสระเนี่ยมันจะปนกันไปมั่วเลย เดี๋ว ท, ทั้ง ร, ร, รู้ทั้งคิดทั้งคิดทั้งรู้ทั้งรู้ทั้งมีอารมณ์ทั้งมีอารมณ์ทั้งรู้ ม, มั่วกันหมดเลยทั้งรู้แล้วจัดการได้บ้างจัดการไม่ได้บ้างวันไหนจัดการได้ก็ดีใจวันไหนจัดการไม่ได้ก็กรุ้มใจเอาอยู่นั่นแหละมันผลสุดท้ายเลื่อทนสมพลว่าจัดการได้ไม่ได้นะเราต้องเข้าใจจะ ด, ดีเขาว่าจัดการได้คืออะไรหิวข้าวที้จัดการได้ไหม ได้ไปกินอิ่มแล้วก็หายใช่ไหมแต่อยู่อีกไว้เออคือว่าถ้ามันจัดการเขาว่าจัดการได้คือจัดการแล้วสิ่งนั้นจะไม่เกิดอีกแค่ว่าจัดการได้แต่จัดการแล้วสิ่งนั้นเกิดอีกฉะนั้นกิเลสมันไม่ใช่จัดการได้ก็เราบรรเทามันได้มันเทามันได้เป็นพักๆเดี๋ยวก็มาใหม่บรรเทาเหมืได้พักๆเดี๋วก็มาใหม่อันเนี้ยเหมืนอนเราบรรเทาคิดนั่นแหละได้พักหนึ่งเดี๋ยวก็มาใหม่แด้พักหนึ่งเมี๋ยวก็มาใหม่ จมันเลยทําอะไรกับม <de leg ante> ันไม่ได้ที่ท่านว่าปุ๊บก็ทําอะไรกับมันไม่ได้ปุ๊บไม่จะไปทํากับมันทํำไมเนี่ยเหมือนอารมณ์เหมือนกันเวลามันโกรธปุ๊บล้วก็บรเทาไปได้พักหนึ่งเดี๋วก็มาใหม่พักหนึ่งเดี๋วก็มาใหม่หรืออารมณ์แย่ชอบเหมือนกันจะชอบโน่นเดี๋ยวก็มาใหม่ชอบโน่นเดี๋ยวก็มาใหม่เราจัดการอะไรไม่ได้ไงเพราะมันถ้าเราจัดการได้ปุ๊บเนี่ยมันจะหายไปเลยแต่พอเรามาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเราไม่ได้จัดการสิ่งเหล่านั้น อย่าไม่จัดการอารมณ์แต่เราจะการใจเราเองแค่อย่าเอาใจไปยุ่งกับมันเท่านั้นเองเนี่ยคือการจัดการอย่าเอาใจไปยุ่งกับมันมันจะมาก็เรื่องของมันมันจะไปก็เรื่องของมันอย่าไปยุ่งกับมันแต่แต่ด้วยอุปนิสัยเดิมเนี่ยไม่อยากพูดนี้ลึกกว่านั้นสัญญานเดิมอะไร <c oughs> สันดานเดิมเราเลยมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยแต่ไอ้สันดานเดิมที่เกิดมาจากอะไรความความคุ้นชินเดิมที่เราเคยเคยเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ตั้งแต่เราจําความได้นะเราเคยทําอย่างนี้มาตลอดไงมันก็เลยมีพฤติกรรมในการที่ทําอย่างนี้บางทีเราไม่ตั้งใจจะทําแต่มันทาเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราคุ้นชินเหมือนจนกระทั่ง มันเลยไหลลื่นกลายเป็นว่าอ้าก็รู้ตัวทีหนึง่งอ้าหลุดไปได้ยังไงเนี่ยตั้งใจตั้งนานเผลอไปแล้วเนี่ยเพราะมันมันเป็นคุณชินเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําเนี่ยเราเราขออย่างเดียวที่เราฝึกไงขอให้เราหัดคุณชินกับตัวรู้เราจะสร้างความคุณชินใหม่ให้มันตรงไอคุณชินเก่านะมันเป็นคุณชินที่ผิดเพราะคุณชินที่ผิดก็สร้างทิฏฐิที่ผิดสร้างความคิดที่ผิด สร้างทิฏฐิที่ผิดงไงผิดยังไงหนึ่งเราคิดว่าเรื่องบนโลกเนี่ยมีสุขบ้างทุกบ้างเราจึงแสวงหาไอ้ที่มันสุขๆหน่อยเพื่อจะหนีไอท้ทุกๆนี่เนี้ยเราคุณนจินผิดเราเลยว่าไอ้ไอ้ไอ้ที่เราชอบชอบใจเนี่ยแล้วว่าเราสุขแต่ไปถามไอ้ความชอบใจของเราจริงมันมีจริงอยู่ไหมถ้าเราชอบอะไรทักอย่างหนึ่งสักคั้หนึ่งเอาแล้วเบือ่อไปหาเรื่องชอบใหม่เนี่ย ไอ้ความชอบใจเราก็มีอยู่จริงอถ้าด ม, มาอะไรหอมๆมาดมบ่อยๆเข้าไปเบือ่อหาใหม่เลยไอ้ความชอบใจก็ไม่มีอยู่จริงไอ้ไม่ชอบกันบางครั้งไอ้ไม่ชอบไหมนี่อยู่ไปอยู่มากลับไปชอบก็มีมันเลยเป็นแล้วนะว่ามันมันเลยเป็นเรื่องที่มันไม่มีความจริงเนี่ยเนี่ยประเด็นประเด็นแรกเราชอบฟ้างไปชอบมาประเด็นที่สองคือเราเห็นว่าทุกเรื่องมันเที่ยง มันเที <ict> Không, <ium> ่ยงมาเนี่ยเจกิจทีก็มาอย่างนี้แหละเจกิจที่มาอย่างนี้แหละเจกิจทีก็มาอย่างนี้แหละแล้วเกิดกับเราอย่างนี้แหละเนี่ยเห็นมันเที่ยงแล้วยที่สามรู้สึกว่าเรามีตัวตนที่จะรับรู้เรื่องเหล่านี้ยเจ็บปวดกับเรื่องเหล่าเนี้ยทรมานกับเรื่องเหล่านี้ยเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนขึ้นมารับเวลาอารมณ์พวกนี้เกิดขึ้นมาพวกเรารู้สึกว่าเรามีตัวตนของเราเนี่ยขึ้นมารับมัดเช่นนั้นโกรธเราต้องรับความโกรธอันนั้นด้วยเี้ย เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนในการรับรองรับอารมณ์เนี่ยเช่นมันคิดขึ้นมาเราก็มีตัวตนในการที่จะรองรับความคิดมันอยากขึ้นมาก็มีตัวตนรองรับความอยากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงขึ้นมาเราก็รู้สึกมีตัวตนในการรองรับแต่จริงๆไม่ใช่หรอกไม่มีรู้ไหมตัวเราเกิดที่ไหนตัวตนเราเกิดตอนไหนตอนเรหลับนี่เรามีตัวตนไหม ออตอนเราหลับเราไม่มีเลยนะตอนหลับเนี่ยใครจะมาเอามีดแทงมีดขู่เข็นเราไม่รู้เลยหรือไม่ตอนเราสลบอ่ะใครจะทําอะไรไม่สนไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่มีตัวตนอไม่มีตัวตนตัวตนเรามีตอนเราคิดเราคิดเราคิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราคิดว่านี่คือเรานี่คือของของเรานี่คืออัตราตัวตนของเราเมื่อไหร่ ตัวตนมันเกิดที่ตัวที่เราคิดนถ้าเราไม่มีความคิดกับเรื่องเหล่านี้พ๊กมันก็เหมือนกับสิ่งสิ่งหนึ่งเท่า น, นั้นเองไม่มีอะไรเป็นแค่อาการหนึ่งๆเท่า น, น, นั้นเองมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็สลายดังนั้นเราต้องพยายามมาฝึกให้ไอ้ตัวเนี้ยมันเกิดสมัมมาทิฏฐิขึ้นมาเห็นให้ตามความเป็นจริงว่าทุกเรื่องราวเนี่ยเขาเกิดขึ้นขเขาเองตามเหตุปัจจัย ขเขาดับของเขาเองตามเหตุปัจจัยไม่มีใครได้รับผลอะไรแล้วก็ไม่มีใครเสียผลประโยชน์อะไรมันเป็นแต่ธรรมชาติของมันที่มันจะปรุงแต่งตามองค์ประกอบของมันทุกเรื่องราวไม่มีเรื่องราวไหนที่ไม่มีองค์ประกอบนะเขามีองค์ประกอบของเขาอยู่เขาจึงเป็นเรื่องราวนั้นๆสังนะเกต ด, ดูสิเราจะกดใครสักคนหนึ่งเราต้องมีองค์ประกอบเยอะนะ เราจะชอบอะไรสักอย่างหนึ่งล้วต้องมีอง tables. ค์ประกอบอีกเยอะแยะมากมายเราจะอยากอะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องมีองค์ประกอบเยอะแยะมแม้แต่ชีวิตเราจะอยู่ได้เนี่ยก็ต้องอาศัยองค์ประกอบไหมปัจจัยสี่เลี้ยงไว้และถึงที่สุดเป็นไงองค์ประกอบนี้ก็จะสลายตัวเมื่อถึงที่สุดก็คือการสลายตัวไอ้การสลายตัวนี้มีองค์ประกอบไหมก็มีอีกองค์ประกอบในการเกิดขึ้นองค์ประกอบในการสลายตัว เรียกว่ามันเป็นเหตุปัจจัยก็มันแบบนี้แหละไม่มีใครจะทําอะไรมันไม่มีใครเป็นเจ้าของมันมันอย่างเงี้ยเราจรึงตง้องทําหน้าที่รู้มันที่เฉยรู้มันที่เฉยและไอความรู้สึกตัวเรามันจะหายไปแต่ถ้าเรารู้แล้วยิ่งรู้แล้วยิ่งเก่งนี่ไม่ใช่นะ ย, ยิ่งรู้อยู่กูยิ่งแน่ยิ่งรู้ยิ่งเก่งยิ่งรู้จัดการนู่นนี่นั่นได้อันนี้ยิ่งรู้ผิดแล้วจะบอกให้แต่รู้จริงๆริแล้วมันจะยิ่ง ยิงยิงเงียบเงียบเหอนเนี่คนไม่มีอะไรกับใครเลยกันเนี่ยเราเรายิงรู้แล้วยิ่งแน่ยิงรู้แล้วยิ่งเก่งยิ่งรู้แล้วแรงยิ่งเลิศยิ่งรู้ยิ่งเประเสริฐกับคนอื่นเนี่ยระวังดีๆไอ้นี้ยรู้เนี้ยจะรู้ผิดเนี่ยโว๊ยกลับไปพวกเราคนภาวนานะเราคนถือศีลนะนี่คนไม่จะภาวนาคนไม่จะสือนี่คนละชั้นกับเรานะเอาเลยทีนีเขาก็แย่ข้าหน่อยกับชูขึ้นมา โดยเขอัดพืนอีกอันเนี้ยถ้าเราฝึกให้มันดีๆเนี่ยฝึกให้มันดีๆปุม๊มันจะรู้จักจะรู้จักแล้วจะอยู่กับทุกเรื่องได้ได้อย่างได้อย่างสนิทอยู่กับทุกเรื่องราวของโลกไปนี้ได้อย่างที่มันเป็นเย่ยเพราะต้องเข้าใจมันด้วยจิตที่ยอม ร, อบมรับความจริงความจริงของมันจะเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นหรอก ไอ้ตัวเนี้ยมันสําคัญมันคิดมันก็คิดนั่นอย่างนี้แหละจะไปให้ให้หยุดไม่ได้หรอกแต่เราหยุดพฤติกรรมที่จะไปยุ่งกับมันท่านั้นเองหยุดพฤติกรรมพาตัวรู้ของเราเองเนี่ยให้มันมันออกมาเป็นอิสระจากเรื่องราวพวกนี้แต่ก็อยู่กับพวกนี้แหละที่เข้าใจกับพวกของกูบายจารที่จ้ชอบพูดว่าน้ํากับน้ํามันอยู่ด้วยกันแต่ซึมก็หากันไม่ได้ะ น้ำกับน้ำมันอยู่ด้วยกันแต่มันซึมก็หากันไม่ได้แต่อยู่ใครอยู่มันนะแต่อยู่ด้วยลายล้อมอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ต่างคนต่างอยู่เออแปลกีกนะอยู่น้ำบนใบบอล น, น้ำ บ, บนใบบับวใช่ไหมมันไม่สามารถไอไอใบ อ, บอบน้ำเนี่ยจะไม่สามารถเข้าไปซึมในใบบัวได้แล้วใบบัวก็สามาซึมเป็นน้ำได้เพราะมันมีตัวเครื่องอยู่ ตัวเพื่ออยู่งั้นเราไปเห็นเนี่ยเห็นอะไรต่างๆที่มันมันเป็นอย่างเนี้ยจิตเหมืกันจิตที่อยู่กับอารมณ์แต่ไม่ถูกอารมณ์ซึมเข้าไปในจิตและจิตก็ไม่ซึมเข้าไปในอารมณ์แต่เห็นอารมณ์อยู่เนี่ยมันมันมีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาในการที่จะเห็นว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกนะโดยการ ผ่านกระบวนการรู้อย่าผ่านกระบวนการคิดมันมีสองผ่านกระบวนการตัวรู้ให้มากเพราะตัวรู้เนี่ยมันจะทำให้เราใช้สภาวะตัวเรียกว่าเราจะเริ่มคุ้นชินกับการใช้วิญญาธาตวิญญาธาตุคือธาตุรู้ที่เป็นเป็นธาตุดิมงแท้ของชีวิต ที่มันมีอยู่มันมีอยู่แล้ววิญญาณาธาตุนี่คือาธาตุเดิมแท้ของชีวิตนี่ที่มันเป็นธรรมชาติไม่ต่างจากทุกสิ่งมันเป็นธรรมชาติที่มันมันเป็นเขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยยังไงยังไงมันก็เป็นขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ไม่เป็นอย่างอื่นแต่ที่มันปรุงมาให้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่น น, นี่อันนี้ก็เรีวยกว่ามันลงสู่สู่ความรู้สึกความเป็นเป็นขัน เป็นเราเป็นของเรามันเลยเกิดวิญญาณทั้งหกขึ้นมาแล้ววิญญาณนั่งไปเราฝึกมากเข้ามาเข้ามาเข้าพุกมันจะไปสู่ปี ญ, ญานิ่งเดิมแท้นิ่งเดิมแท้ที่เรียกพลังงานโลกนี้มีสองส่วนพลังงานและสะสารสสารนี่ยจะก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนแต่พลังงานเนี่ยจะเป็นพลังที่อิสระอิสระอยู่ตะลอะดนะ จะไม่กาะติดกับอะไรแล้วโลกเนี้ยมันมีสาระและพลังงานนั่นพลังงานคือพลังชีวิตพลังชีวิตคือพลังตัวรู้เนี่ยถ้าเราฝึกมันดีๆเนี่ยมันจะนนแยกได้พวกอาจารย์โลกน้ำมองมันก็มีมทําอะไรบ้างก็น่งดูวนไปมันจะเป็นไหนก็คือใจต้องวางใจให้ให้เป็นก่อนวางใจแบบยอมรับทุกเรื่องราวให้ดีไม่มีปฏิเสธอะไรจะไม่มีเอาอะไร ยอมรับมันทุกเรื่องเนี่ยประเด็นแรกหนึ่งยอมรับยอมรับมันทุกเรื่องอะไรเกิดขึ้นมายอมรับมันคิดก็ยอมรับควาคิดฟุ้งก็ยอมรับควาฟุ้งแค่เนี้ยทําไม่ได้อ่ะคิดก็ยอมรับความคิดฟุ้งก็ยอมรับควาฟุ้งทาไมคอาฟุ้งแล้วชั้นจ้างต้องจัดการเนู่นจัดการนี่จัดการนั่นยังมันยังนี้ย่างนั้นกับมันด้วยปวดก็ยอมรับว่ามันปวดเมื่อยกยอมรับว่าเมื่อยเบื่อก็จะมรับว่าเบื่อแล้วทำไมพอมันเป็นอย่าง เบื่อฉ the ันก็ต้องทํำยังไงเด้อความรับผิดคือเบื่อกระท่นนั่นแหละนั่นแหละเราก็ทํำเราไปต่อเดี๋ยวมันก็เลิเองมันอันนี้เบื่อฉันก็เราเดินแบบเบื่อเบือเซ็งเซ็งเซ็งเซ็งเบื่อเบื่อแทนที่มันจะหายมันก็เลยยืดเยื้อละยาวนานหาจังหวะมั่งรอเวลามั่งดูนาฬิกามั่งสารพัดเรื่องแล้วก็ทรมานตัวเองไม่ไงทํานะเวลาจริงๆมันไม่มี เวลาจริงๆไม่มีอ่ะมีแค่ขนาดเดียวถ้าเราหัดให้มันดีๆป่าหัดยอมรับมันโอเคฟุ้งซ่านอย่า่าฟุ้งซ่านอ่ะแล้วจะยังไงต่อมันมันมีอันหนึ่งนะสังเกตไหมถ้าเราหัดโกหกใครเนี่ยสักคนหนึ่งเนี่ยโอ้ไม่จะใส่ซักใส่ไล่เลียงเอาความผิดถูกกับเราให้ได้จะถ้าเราโกหกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันจะซักใส่ไล่เลียงจี้เหรออยู่นั่นแหละใช่หรือเปล่าเท่าไหรนี่มากกว่านี้กว่าถ้ายอมรับมันแค่ อ๋อฉันโกหกก็จะเอาไงทำนั้นแหละมันเงียบฉันเกลียดไห ม, มันเงียบจริงๆนนะอะอ๋อๆถ้าฉันถ้าฉันโกหกไงถ้ารู้อันเนี้ยเน้นโกหกแล้วหกห็กะวจะเอาไงอะ่ะอันนั้นไปไม่ต่อเลยไปต่อไม่เป็นเลยฉันได้ก็ระือนกันเวลาอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บยอมรับฟุง้งซ่านกับฟุ้งร้างจะยอมรับฟุ้งซ่านแค่นี้ยมันไปไม่เป็นเลย แต่ฟุ้งซ่านแล้วฉันจะทํายังไงกับมันดีทําไงให้มันหายทําไงให้มันหยุดทําไงให้มันไม่คิดเช่นความคิดก็จะร่าความคิดแต่ทําไม่ยอมรับกันฉันก็ต้องจัดการมันได้จะเลี้ยวุ่นวายไม่เลิกกันนี่ทะเลาะกันไม่จบในการการทําจิตให้ยอมรับอารมณ์ว่ามันคือส่วนหนึ่งของชีวิตมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกก็เลยยอมรับธรรมชาติใช่ไหมเอามาสงบก็จะรับมาสงบ เป็นไงน่าจะงงมันดีเลยไม่ก็ไม่เห็นอะไรก็แค่นั้นเองมันก็อิจาร์จากฟุ้งซ่านเอามันสบายกับยองรักมันสบายแล้วมันดีว่าไม่สบายเลยก็ไม่เดี๋ยวก็หายไปอันไม่สบายก็ยองรักไม่สบายเดี๋ยวมันก็หายไปไปกันไปสบายฉะนั้นคนไหนที่มันกำลังสบายสบายอยู่ระวังเดี๋ยวมันจะไม่สบายเพราะมันตาอย่างเนี้ยพอไอ้คนไหนไม่สบายสบายเออ เดี๋ยวพก็จะสบายเนี่ยไม่จะกลับพัวกันอยู่อย่างนี้แหละน่าจะยอมรับเห็นพฤติกรรมในการพลิกไปพลิกมาของมันโอ้เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยต้องทำใจยอมรับมันสองให้ความอดทนอดทนที่จะไม่ทำตามไม่ปฏิเสธอะไรมานล้วดูมันจะเฉยแล้วมันจะเห็นละเอียดเยอะเลยเนีย ไม่ไปหัดเอาเอาหัดเอาเบื่อก็ยอมรับเบื่อแต่อย่าไปเบื่อด้วยทำต่อขี้เกียจยอมรับว่าขี้เกียจทําต่อเซ็งยอมรับว่าเซ็งทําต่อดูสิดูซิไอ้พวกเนี้ยแล้วมันจะมันจะอยู่กับเราได้นานไหยคอยดูสิเดี๋ยวกไหายแต่มันไม่ไม่เดียวคือซ้ําเลยที่มันไม่เดียวเพราะว่าอะไร เพราะเราเคยไงเราเคยเราเคยสมองตอบมันไงจิตมันก็เลยวนวนเวียนเวียนอารมณ์ก็เลยวนวนเวียนเวียนแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราแค่เฮ้ยไม่สนใจเรายึดหลักเราเล่นเล่นไปจิตมันแยกออกได้ปุ๊บนี่นะไอ้นี่ก็เป็นเหมือนเดิมแต่จิตแยกอิสระเป็นไปเดี๋ยวก็หายยิ่งยิ่งไม่สนใจยิ่งหายไวถ้ายิ่งสนใจนยยิ่งหายช้ายังส่วนต่ แต่ก็แปลกนะไอเดินดีๆพอสนใจพุ๊บหายแว บ, บเลยเฮ้ยไม่ดีนี่โคไม่อยากสนใจอยู่นานมันบ้าเลยอะาอย่้งตัวที่อยู่เขาอยากหลอกลวงเราเนี่ยเราต้องทันสัญชาตญาณสัญชาตญาณเวลามัน ม, มันชอบคิดอย่างเงี้ยเวลาเกิดขึ้นชอบคิดอย่างเงี้ยต้องทันสัญชาตญาณตัวเองสัญชาตญาณเดิมเนี่ยเพื่อสร้าง ความคุ slide, may, làm, ้นชินเดิมเพสร้างความคุ้นชินใหม่คุ้นชินรู้แห้มันเราแล้วคงได้เวลาแล้วนะมีอะไรอีกบ้าพอบอกอ่ะคงได้เวลาพวกเนี้ใจเรื่องฟื้นขึ้นมาพอถามอ่ะมีอะไรอีกเบ่าเรื่องหดแหวกขึ้นมาอีกเห็นไหมแค่ช่วงแป๊บเดียวมันเปลี่ยนได้สองูบเลยเนี่ย วูบแรกหายง่วงใช่ไหมใครมีอะไรป่ะอกดแววกลงมาอีกเอาแล้วก็จะเลือกแล้ว ไ, ได้เลือกนี่ดูบดีๆสิช่วงแค่วินาทีแต่วินาทีเปลี่ยนไปละหัหัะ